พระเพื่อมาเรียนรู้ความจริงต่างๆที่เกี่ยวกับชีวิตของพวกเราว่าเราเป็นใครเราเป็นอะไรกันแน่เพราะความรู้ที่เรารู้เกี่ยวกับตัวเรานี้มันยังไม่ใช่เป็นความรู้ที่แท้จริงที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริง เราคิดว่าเราเป็นร่างกายกันร่างกายของเราก็มีพ่อมีแม่เป็นชาตินั้นชาตินี้เป็นชนชาตินั้นชนชาตินี้มีชื่อนั้นชื่อนี้มีนามสกุลนั้นนามสกุลนี้ความจริงเหล่านี้ยังไม่ได้เป็นความจริงที่แท้จริง เป็นความจริงชั่วคราวชั่วขณะที่มีร่างกายนี้อยู่พอหลังจากร่างกายนี้ตายไปแล้ว<ม>ความจริงเหล่านี้มันก็หมดไปแต่ตัวเรานี้ยังอยู่ต่อไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นใจ เป็นธาตุรู้เป็นผู้รู้ผู้คิดที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาสิ่งต่างๆหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เ, ออเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดไม่มีชื่อไม่มี นามสกุลไม่มีเพศไม่มีวัยเรามีปัญหาอยู่คือเรามีความอยากเราอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผธตพะชนิดต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่เราไม่มีตาหูจมูกลินกาย คือ้ารู้ผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายจึงไม่สามารถที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะชนิดต่างๆได้โดยตรงจำเป็นต้องอาศัยร่างกายที่มีตาหูจมูกลิ้นกายที่สามารถที่จะรับรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะชนิดต่างๆ ได้ใจคือท้รูนี้ก็เลยต้องมาครอบครองร่างกายเวลาที่มีการก่อร่างสร้างตัวคือมีการผสมพันให้เกิดร่างกายขึ้นมาใหม่ก็จะใจก็จะส่งกระแสของใจที่เรียกว่ากระแสของวิญญาณ มาเกาะที่ตาหูจมูกมิมนกายของร่างกายแล้วพอร่างกายจะเริญเติบโตพลอดออกมาจากท้องแม่ใจก็จะใช้น่่งกายนี้ไปหาลูกเสียงกลิ่นรสผลิตภัพพชนิดต่างๆมาเสกมาให้ความสุขกับใจใจก็จะ ได้ร่างกายนี้มาเป็นสมบัติชั่วคราวแล้วใจก็ไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นใจขึ้นมาเนื่องจากว่าใจนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาใจเป็นเหมือนมนุษย์ล่องหนไม่มีร่างกายของตนเอง ก็เลยต้องอาศัยร่างกายที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาพ่อแม่ของร่างกายอันนี้สร้างขึ้นมาเวลาที่มีการร่วมเพศกันก็จะมีธาตุดินน้ำลมไฟของพ่อกับธาตุดินน้ำลมไฟของแม่มาผสมกันมาสร้างร่างกายอันใหม่ร่างหนึ่ง แล้วดวงวิญญาณหรือใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีร่างกายที่ตายมาจากชาติก่อนชาติก่อนใจมีร่างกายแต่ร่างกายนี้อยู่ได้ไม่นานอยู่ได้ไม่เกินร้อยปีก็ต้องตายไปพอร่างกายตายไปใจที่เคยมีร่างกายก็เลยต้องไปหาร่างกายอันใหม่ พอได้พอได้พบกับร่างกายอันใหม่ก็ส่งกระแสจิตกระแสวิญญาณเข้าไปเกาะติดกับร่างกายทันทีครอบครองร่างกายนั้นเป็นของตนเองขึ้นมาแล้วพอร่างกายคลอดออกมาอยากท้องแม่ใจที่ครอบครองร่างกายนี้คือธาตุรู้ที่ครอบครองร่างกายนี้ก็ไปคิดว่า ตนเองเป็นร่างกายขึ้นมาอย่างพวกเราทุกคนในขณะนี้เราคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราด้วยกันทั้งนั้นทุกคนเราไม่เคยรู้ไม่เคยคิดเลยว่าเราความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้เป็นร่างกายนี้เลยเราเป็นเพียงผู้มาครอบครองร่างกายเหมือนเอาร่างกายนี้มาเป็นคนรับใช้ ของเราเท่านั้นเองเราเป็นนายร่างกายนี่เป็นผู้รับใช้เราเพราะว่าเราต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาสิ่งต่างๆมาให้เราได้เสกได้มีความสุขเราเป็นเป็นเหมือนกับผู้ติดยาเสพติด สิ่งที่เราติดก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆ mm hmm. เราต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะมาให้เราได้เห็ได้สัมผัสอยู่เรื่อยๆ mm hmm. เวลาใดที่เราขาดรูปเสียงกลิ่นรสเวลานั้นเราจะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกเศร้ารู้สึกเหงา mm hmm. รู้สึกว้าวเว ความเศร้าวความว้าเหวเหลา่านี้มันจึงคอยบีบบังคับให้เราต้องไปหายาใสติดมาใสอยู่เรื่อยๆต้องหาเครื่องดื่มชนิดต่างๆมาดื่มเพราะเครื่องดื่มนอกจากมีน้ําแล้วก็ยังมีมีสีมีกลิ่นมีรสเราติดสีเราติดกลิ่นเราติดรสของเครื่องดื่ม ส่วนน้านี่เป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการร่างกายนี้เป็นรน่างกายที่ประกอบขึ้นมาด้วยธาตุสีคือธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟในการที่ร่างกายจะอยู่ได้ต่อเนื่องไม่ถึงแก่ความตายร่างกายก็ต้องมีธาตุสีมาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเช่นลมหายใจก็คือธาตุลม ร่างกายต้องมีธาตุลมมาคอยหล่อเลี้ยงมาสับเปลี่ยนเอาธาตุลมเก่าออกไปเพราะธาตุลมที่เข้ามาอยู่ในร่างกายแล้วก็ผ่านกระบวนการทำหน้าที่หล่อเลี้ยงร่างกายเปลี่ยนเปลี่ยนอากาศที่ดีก็มาแล้วก็เอาอากาศที่ไม่ดีออกไปอากาศเสียออกไป ก็มีการหายใจเข้าหายใจออกเอาลมใหม่ที่เป็นลมที่ลมดีลมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วขับถ่ายลมเสียอากาศเสียออกไปจากร่างกายท่าน้ำก็เช่นเดียวกันร่างกายก็ต้องมีการถ่ายเทเปลี่ยนถ่ายทา่านเอาท่าน้ำที่ที่ใหม่ที่ดี ที่มีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็เอาธาตุน้ำที่เสียขับทายออกไปทางปัสสาวะวเราดื่มน้ำนี้เอาเอาธาตุธาตุน้ำที่ดีที่มีคุณค่าที่สามารถช่วยหล่อเลี้ยงร่างกายให้อยู่ต่อไปได้แล้วเราก็ขับเอาธาตุน้ำที่เสียออกจากร่างกายไป ธาตุดินก็คืออาหารต่างๆของแข็งต่างๆเช่นกับข้าวกับปลาอันนี้ก็จะเป็นส่วนของธาตุดินธาตุดินก็จะเอาสารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายเข้าไปแล้วก็ขับถ่ายสารธาตุดินที่ไม่มีประโยชน์มีแต่ของเสียออกจากร่างกายไป นี่เกิดร่างกายของพวกเราไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นการทำงานของธาตุสี่ธาตุสีนี่เป็นส่วนประกอบที่สร้างอาการต่างๆของร่างกายขึ้นมาสร้างอาการ32สร้างผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นอวัยวะต่างๆ เช่นปอดตับไตลำไส้น้ำเหลวน้ำของเหลวต่างๆเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหงื่อน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นท ร, รมาจากธาตุธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟร่างกายก็เป็นเหมือนกับเป็นรถยนต์คันหนึ่งที่มีส่วนประกอบที่ทำมาจากวัตถุต่างๆ ท ร, รมาจากโลหะท ร, รมาจากอของของเหลวน้ำมันน้ำมันอะไรต่างๆเป็นต้นนี่คือร่างกายถ้าเราศึกษาค้นคว้าดูจริงๆเราจะไม่เห็นว่าเรามีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้เลยถ้าเราเริ่มค้นไปตั้งแต่ผมอาการสามสิบสองร่างกายของเรานี้พระเจ้าบอกว่ามีอาการสามสิบสอง เป็นตัวประกอบเป็นส่วนประกอบเช่นมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีปอดมีตับมีหัวใจมีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีอาหารใหม่อาหารเก่ามีเยื่อในสมองศีรษะแล้วก็มีน้ําต่างๆน้ําดีน้ำทะเลน้ําเหลืองน้ําเลือด น้ำเหงื่อน้ำมันคข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำโมกน้ำไข่ข้อเป็นต้นนี่คือสิ่ ง, งต่างๆถ้าเราชำแหละร่างกายออกมาแยากออกมาเป็นอย่างๆก็จะมีอาการสามสิบสองอย่างนี้อยู่ในร่างกายแล้วตัวเราอยู่ที่ตรงไหนตัวเราเป็นผมหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะเวลาเราโกนผมทิ้งไปเราก็ยังอยู่เต็ม เราก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเราไม่ได้เป็นพิกลพิการไปกับการสูญเสียของผมไปเวลาเราตัดเล็บมันก็เราก็ยังเป็นเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ไม่ว่าเราจะเอาอะไรส่วนไหนของร่างกายออกไปมันก็ไม่ได้ทําให้เราเป็นอะไรตายไปกับกับการสูญเสียของร่างกายแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเราก็ ส, สามารถสรุปได้ว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราคือใครตัวที่มีความรู้สึกนึกคิดนี่แหละคือเรา<ม>เรามีความสามารถที่จะรู้อะไรต่างๆได้รู้รูปเสียงกลิ่นรสได้จากการที่เรามีกระแสะวิญญาณไปเกาะติดที่ตาหูจมูกิืนกายของร่างกายพอตาเห็นรูปรูปก็จะวิ่งเข้ามาที่ใจแล้วผ่านกระแสะของวิญญาณ ที่เป็น ท, ที่ใจส่งมาเกาะติดกับร่างกายเสียงก็เหมือนกันเสียงก็จะวิ่งเข้ามาในใจรูปเสียงกลิ่นรสผดส ภ, ภ, ภาพต่างๆก็จะวิ่งเข้ามาเมื่อได้สัมผัสที่ตาหูจมูกวิ่งกายแล้วก็จะวิ่งเข้ามาที่ใจแล้วใจนี่แหละเป็นผู้ที่วิเคราะห์ว่ารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเหล่านี้เป็นอะไรเป็นใครเป็นสิ่งที่มีโทษหรือมีประโยชน์ มีคุณหรือมีโทษ<ม>ถ้าสิ่งใดที่มีคุณมีประโยชน์ใจก็เกิดความรู้สึกมีความสุขใจขึ้นมาสุขเวทนาก็เกิดขึ้นมาถ้าเป็นสิ่งที่มีโทษ<ม>ใจก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาทันทีเ<ม><ม>ช่นเวลาที่เราเห็นของมีค่า<ม>ตาเห็นของมีค่า<ม>เห็นเงินทอง เห็นทรัพย์สินอะไรต่างๆเวลาเห็นแล้วก็เกิดความสุขใจขึ้นมาแต่ถ้าไปเห็นสิ่งที่มีโทษเช่นเห็นสัตว์ร้ายเห็นเสือเห็นงูใจก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นม า, ท, าทันทีเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะใจเป็นผู้ไปให้ความหมายกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษ สิ่งนี้พอเราเห็นว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราเราก็มีความสุขสิ่งไหนที่เป็นโทษกับเราสิ่งที่จะมาทําร้ายร่างกายของเราเราก็จะเห็นว่ามันเป็นโทษขึ้นมาแล้วเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วพอเราเกิดความสุขหรือเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าเราต้องทําอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ <S <S ถ้าสิ่งที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์กับเราเราก็อยากได้ขึ้นมา เราก็คิดอยากจะได้ขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาความต้องการขึ้นมาเราก็สั่งให้ร่างกายไปไปหามาไปไปไปเอามาถ้าสามารถเอามาได้ก็ให้ไปเอามาในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปเจอสิ่งที่มีอันตรายต่อร่างกายของเราเป็นโทษกับเราเราก็จะสั่งให้ร่างกายหลบหนีอย่าเข้าใกล้ เห็ น, เ ห, นเห็นสัตว์ร้ายเห็นงูเห็นเสืออะไรเป็นต้นใจนี่แหละเป็นผู้สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวต่างๆร่างกายเองนี้ไม่มีความสามารถที่จะทำอะไรได้ด้วยตนเองเพราะว่าผู้ที่รู้ผู้ที่คิดผู้ที่รับผู้ที่วิเคราะห์สิ่งต่างๆนี้อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนี่คือเรื่องของเรา เราเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆมาให้กับเราหาสิ่งที่เป็นสิ่งสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเช่นให้เราสิ่งที่ให้ความสุขกับเราคืออะไรก็คือโลกกระททั้งสี่ได้แก่ลาบยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าชนิดต่างๆ อ, อันนี้แหละ เป็นสิ่งที่เราเห็นว่ามีคุณค่ากับเราเราก็เลยสั่งให้ร่างกายไปหามาทุกวันตั้งแต่เราพอเราตื่นขึ้นมาเราก็เตรียมตัวออกจากบ้านกันไปไปเพื่อไปทําอะไรก็ไปเพื่อไปหาราบยศสรรเสริญไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่ถ้าเรายังไม่มีราบยศเราก็ต้องหาราบยศมาก่อน เพราะว่าราบยศนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถที่จะไปหาลูกเสียงกิ่ล้นต่างๆมาให้ความสุขกับเราได้เราจึงต้องไปทำงานกันออกจากตื่นเช้าก็ต้องออกจากบ้านไปทำงา น, ท ำ, งานทำการเพื่อรับจ้างรับรายได้รับราบเข้ามาไปหาราบด้วยการไปทำงานหรือไปหายศตำแหน่งถ้าเป็นพวกที่ ต้องการแสวงหาอํานาจเพื่อใช้อํานาจนี้มาเป็นเครื่องมือในการหาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองก็ไปหาอํานาจตามตามความสามารถของตนบางคนก็ไปเรียนหนังสือจบปริญญาก็ไปสอบเป็นข้าราชการพอได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็เริ่มมีอํานาจขึ้นมาบางคนก็หาวิธี ด้วยการไปเป็นนักการเมืองไปสมัครเลือกตั้งก็จะได้ไปรับเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นข้าราชการที่มาจากการเลือกตั้งก็จะมียศมีตำแหน่งมีอำนาจที่จะสามารถที่จะอาหาราบยศหาราบจากการที่มีอำนาจเหล่านี้ได้ เพราะว่าการที่เราจะมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เราก็ต้องมีลาบมีเงินทองมีอำนาจเพราะถ้ามีอำนาจมันก็การจะหาอะไรมามันก็ง่ายกว่ากับคนที่ไม่มีอำนาจคนที่มีอำนาจเพียงแต่พูดเพียงแต่สั่งก็สามารถได้สิ่งที่ตนเองอยากได้คนที่ไม่มีอำนาจนี้ก็ต้องหาโดยวิธีอื่น นี่คือใจของพวกเราทุกคนเป็นเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดติดกับความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าพชนิดต่างๆเราต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสให้คอยเสพอยู่ตลอดเวลาลืมตาขึ้นมาเดี๋ยวนี้ถ้าจะต้องรีบเปิดมือถือก่อนเล ย, เยพอเปิดมือถือก็จะได้เห็นรูปที่เราอยากจะรู้อยากจะเห็น ได้ยินเสียงที่เราอยากจะได้ยินได้ฟังเป็นต้นแล้วเราก็เพลิดเพลินกับมันไปเหมือนคนที่ติดยาเสพติดเวลามียาเสพติดเสรไปก็เกิดความเพลิดเพลินเกิดความสบายอกสบายใจแต่พอเวลาใดที่ขาดยาเสพติดไม่สามารถเสพได้เวลานั้นก็จะเกิดความรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจจิตเจิตใจไม่ผ่องใสไม่เบิกบาน จิตใจซึมเศร้าจิตจานว้าวเวยเศร้าส้อยหงอยเหงานี่เป็นอาการของการติดยาติดสิติดสิ่งเสพติดแต่พอได้เสพเมื่อไหร่ปั๊บอาการซึมเศร้าอาการเหงาว้าวเวเหล่านี้ก็จะหายไปทันทีสังเกตดูเวลาที่เราต้องอยู่คนเดียวไม่มีอะไรให้เราได้ดูได้ยินได้ฟัง เช่นในช่วงที่มีโควิดเนี่ยต้องมีมาตรการห้ามไม่ให้เราออกจากออกนอกบ้านไปเราก็จะรู้สึกหุดหงิดเพราะเราเคยออกไปนอกบ้านอยู่ทุกวันทุกวันไปดูนั่นฟังนี่ไปทํานู่นทนํานี่พอเราไม่ได้ทํากิจกรรมต่างๆเหล่านี้มันก็ทําให้เรารู้สึกมีความไม่สบายใจขึ้นมาอันนี้แหละคือสถานภาพที่แท้จริงของพวกเรา คือพวกเรานี้เป็นเหมือนพวกที่ติดยาเสพติดเราต้องเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์อยู่เรื่อยๆแล้วการที่เรามาติดการเสพยาเสพติดนี้มันก็เลยทําให้เรามาติดคุกอีกอีกขั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งด้วยเพราะว่าสถานที่ที่เราไปเสพไปติดนี่มันเป็นเหมือนคุกมือนเป็นเหมือนตารางมันไม่ได้เป็นที่ที่จะให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริง มันเป็นที่ที่จะให้ความสุขแบบคนที่ติดอยู่ในคุกในตารางมีความสุขบ้างเล็กๆน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นนักโทษอยู่ยังติดอยู่ในคุกในตารางอยู่คุกตารางของพวกเราก็คืออะไรก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี่แหละเป็นคุกตารางที่ขังใจของพวกเราให้มาติดอยู่เรื่อยๆคุกตารางมีอยู่สี่มีกาแพงอยู่สี่ด้านด้วยกัน ด้านหนึ่งก็เรียกว่าเกิด <C oughs> ด้านหนึ่งก็เรียกว่าแก่ด้านหนึ่งก็เรียกว่าเจ็บด้านหนึ่งก็เรียกว่าตายเพราะว่าเราต้องมีร่างกายในการที่เราจะได้กําจัดความไม่สบายต่างๆไม่สบายใจต่างๆให้มันหมดไปเราต้องมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราไม่มีร่างกายเราจะไม่มีเครื่องมือหาความสุขกัน เราก็จะอยู่แบบเหมือนคนที่ติดคุกติดตารางแต่พอเรามาได้มีร่างกายเราก็มาติดคุกติดตารางของการมีร่างกายเพราะว่าเราก็จะต้องมาเจอกับความทุกข์ของที่เกิดจากความแก่เกิดจากความเจ็บเกิดจากความตายแล้วก็ไม่ใช่เป็นการเจอเพียงครั้งเดียวเป็นการเจอเป็นเป็นหลายแสนล้านครั้งแล้วที่ผ่านมา แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เพราะว่าใจเรายังมีความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพะอยู่เรื่อยๆนั่นเองเมื่อยังมีความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่เราก็ต้องมีร่างกายพอร่างกายที่เรามีอันนี้ตายไปเราที่ไม่มีร่างกายนี้เราก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ พอได้ร่างกายอันให ม, ม่มาก็มาติดกับการแก่การเจ็บการตายก็เจอกับความทุกข์ไปเรื่อยเรื่อยเรียกว่าเป็นการเวียนว่ายตายเกิด อ, อ, อยู่เรื่อยเื่อตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ถ้าตราบใดเรายัางไม่สามารถที่จะหยุดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ เราก็ยังจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ อ, อันนี้แหละคือสถานภาพที่แท้จริงของพวกเราพวกเราเป็นธาตุรู้ที่เราเรียกว่าใจผู้รู้ผู้คิดผู้ติดผู้ติดรูปเสียงกิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆผู้ที่จังต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆนี่ เราจึงต้องกลับมาทุกข์กับร่างกายอยูเรื่อยๆเพราะว่าถึงแม้ว่าร่างกายนี้จะมีประโยชน์เป็นเครื่องมือหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัตว์พระให้กับเราแต่มันก็มีมีมีความทุกข์ของมันคือมันมีความแก่มีความเจ็บมันมีความตายทุกครั้งถ้าเรามีร่างกายเราจะต้องมาเจอความทุกข์ของร่างกาย ทุกของที่เกิดจากความแก่ค ว, Laur, ความเจ็บความตายแล้วก็ทุกข์ที่เป็นข อ, ของต่อเนื่องมาทุกข์ที่เกิดจากการพัดภากจากคนที่เราลักเราชอบหรือสิ่งที่เราลักเราชอบแล้วทุกข์ที่เกิดจากการที่จะต้องมาเจอกับคนหรือสิ่งที่เราไม่ลักไม่ชอบการมีร่างกายจึงไม่ได้เป็นการมีความสุขเพียงอย่างเดียวการมีร่างกายนี้มันมีความสุข เป็นส่วนน้อยแล้วมีความทุกข์เป็นส่วนใหญ่เพราะนอกจากการความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแล้วเรายังต้องมาทุกข์ต่อการเลี้ยงดูร่างกายร่างกายนี้มันก็ต้องมีพิษมีมีภัยอันตรายต่างๆมาคุกคามอยู่เรื่อยๆมีสิ่งต่างๆที่จะมาจ้องทำร้ายทำลายร่างกายอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องคอยดินน้นรนคอยปกป้องคุ้มครองร่างกายของเรา การที่จะต้องดิ้นรนต่อสู้กับภัยอันตรายต่างๆก็เป็นความทุกข์อีกรูปแบบหนึ่งทุกข์กับความอดอยากขาดแคลนพอเกิดมาปั๊บก็ต้องหากินเองนะต้องหายใจเองต้องหาอาหารมากินเองต้องดิ้นรนต่อสู้กับภัยต่างๆภัยธรรมชาติภัยพิบัติต่างๆหรือภัยจาก สัตว์ร้ายต่างๆหรือภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโรคระบาดต่างๆภัยจากคนที่หดร้ายทารุนเรามีภัยรอบด้านตัวเราเองการมาเกิดจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยมีแต่มีแต่ภัยมีแต่ทุกข์ให้เราต้องคอยมาแก้ไขมาม า, มาบำบัดมากำจัดอยู่เรื่อย อันนี้คือสถานภาพของพวกเราถึงแม้วัาตัวเราเองไม่ได้เป็นร่างกายกต็ตามตัวเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายแต่เนื่องจากความไม่รู้ความจริงอันนี้ความหลงของเราและความที่เราจาเป็นที่จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือเราก็เลยไปทุกข์แทนร่างกายความจรงิงตัวร่างกายเองนี้เขาไม่มีความทุกข์เขาไม่รู้ว่าเขาทุกข์ เพราะว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะรับรู้อะไรได้ถึงแม้เขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ไม่เดือดร้อนเหมือนกับเวลาที่เราไปหาหมอแล้วฉีดยาชานี่เวลาถอนฟันนี้ฉีดยาชาเวลาหมอถอนฟันเราก็ไม่รู้สึกว่ามันเจ็บตรงไหนเพราะยาชามันกันไม่ให้เรารับรับรู้ถึงร่างกายถึงแม้จะเป็นผู้ที่ ที่เป็นผู้ถูกถอนฟันก็ตามร่างกายเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเขาไม่เดือดร้อนจะไปทำอะไรกับร่างกายนี้ร่างกายเขาไม่มีความรับรู้แต่อย่างใดผู้ที่รับรู้คือเราคือใจเจ้าของร่างกายผู้ที่มาครอบครองร่างกายแล้วมาเคลมว่าเป็นตัวเราของเหล่านี้ที่เป็นผู้ที่ต้องรับความทุกข์ของร่างกายอีกทีนึ่งแต่ความทุกข์เหล่านี้ เราสามารถที่จะแก้ไขได้ถ้าเราได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาถ้าเรามาเจอกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ได้มาเรียนรู้เรื่องของร่างกายและเรื่องของจิตใจว่าเราเป็นใครกันแน่แล้วปัญหาของเราอยู่ที่ตรงไหนปัญหาของเราก็อยู่ตรงที่เราไปติดรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ แล้วเมื่อเราเตดรูปเสียงกลิ่นลดเราก็ต้องไปเตดกับร่างกายเราต้องมีร่างกายเพราะถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็จะไม่สามารถเสดรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆได้ถ้าไม่มีตาก็ไม่สามารถเห็นรูปได้ไม่มีหูก็ไม่สามารถได้ยินเสียงเช่นคนหูหนวกตาบอดนี่เขาไม่มีไม่มีทางที่จะเห็นภาพอย่างที่คนตาดีเห็นได้ คนที่หูหนวกก็ไม่สามารถได้ยินเสียงอย่างที่คนหูดีได้ยินได้อันนี้ก็คือเ ร, เราเลยต้องมามีร่างกายแล้วก็มายึดมาติดกับร่างกายมารักมาหวงมาห่วงกับร่างกายไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไรไปความทุกนี้มันเกิดจากความอยากของเราเองอยากมีร่างกายอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพัชชนิดต่างๆแล้วก็อยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ไปแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่แก่เพราะเวลาแก่มันก็จะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาคนแก่จะทำไม่ทำอะไรเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวก็ทำได้ได mm hmm. ก็อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ตายไม่อยากจะสูญเสียร่างกายเพราะเมื่อเราสูญเสียร่างกายเราก็จะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีสิ่งที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดภ พ, พชนิดต่างๆเรากนะ็เลยมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายโดยใช่เหตุ ถ้าเราไม่ได้มาเจอกับพระพุทธเจ้าก็ดีเจอกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือเจอกับพระอริยสงสาวุ่งของพระพุทธเจ้าก็ดีผู้ที่รู้จักวิธีแก้ปัญหาคือความทุกข์ของใจที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายที่มาเกี่ยวข้องกับยาเสพติคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆวิธีที่จะแก้ปัญหาพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้า แล้วก็ได้แก้เป็นบุคคลแรกพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะสัตย์สัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นเหมือนกับพวกเราทุกคนท่านก็เป็นคนติดยาเสพติดเป็นนักโทษที่ติดอยู่ในคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆแต่ท่านเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่สามารถคิดค้นหาวิธี แก้ปัญหาคือความทุกข์ใจของท่านได้ด้วยการค้นพบต้นต่อสาเหตุของความทุกข์ใจว่าเกิดจากความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆนี่แล้วเมื่ออยากเสบรูปเสียงกลิ่นลดก็ต้องมีร่างกายแล้วมีร่างกายแล้วก็ต้องการให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาเห็นเวลาคิดว่าตนเองจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่ ใจก็จะทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ของใจนี้เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บ ไ, <ป>ไม่อยากตายไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้ร่างกายตายแต่เราก็ห้ามความจริงของร่างกายไม่ได้ร่างกายของพวกเราทุกคนมีวัตจะมีมีวัตจักของมันคือเมื่อมันเกิดมาแล้วมันก็จะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมา วันละเล็กวันละน้อยจากทารกก็กลายเป็นเด็กเล็กจากเด็กเล็กก็เป็นเด็กโตจากเด็กโตก็เป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เป็นคนแก่คนเจลาคนเจ็บและคนตายไปทุกคนอันนี้ร่างกายของพวกเราทุกคนเหมือนกับใบไม้ที่อยู่บนต้นไม้นี่ใบไม้มันก็มีงอกออกมาจากกิ่งต่างๆแล้วมันก็ค่อยๆจเจริญเติบโต จากใบเล็กๆกลายเป็นใบใหญ่ใบสีเขียวอ่อนกลายเป็นสีเขียวแก่แล้วนานเข้าไปนานเข้าไปมันก็กลายเป็นสีน้ําตาลแล้วต่อมามันก็ร่วงลงมานี่คือวัตถาจักรของสิ่งต่างๆที่มีที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งใดก็ตามพระพุทธเจ้าส่งคนเพราะว่าสิ่งใดก็ตามเมื่อมีการเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีการมีการเสื่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา ไม่มีสิ่งใดที่จะอยู่แล้วยั่งยืนถาวรไปตลอดในโลกนี้แม้แต่ภูเขาแม้แต่โลกนี้ก็ตามวันหนึ่งโลกนี้ก็จะต้องถึงวันสิ้นสุดของมันเพรนี่คือธรรมชาติของสิ่งตา่างๆที่ทามาจากธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันจะไม่ยั่งยืนถาวรพรพุทธเจ้าก็เห็นว่า ความทุกของเรานี้เกิดจากความอยากมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงที่ยั่งยืนถาวรแต่ความจริงนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้เราไม่สามารถสั่งให้ร่างกายของเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้แต่เราสามารถทำให้ใจเราไม่ทุกข์กับร่างกายได้เพราะว่าเหตุที่ทาให้ใจเราทุกข์นั้นไม่ใช่ความแก่ไม่ใช่ความเจ็บไม่ใช่ความตายของร่างกาย เหตที่ทําให้ใจเราทุกข์เพราะความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองแล้วเราจะทําไงให้เราไม่ไปมีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็ต้องเลิกใช้ร่างกายเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆด้วยการเลิกเสกรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองโดยการด้วยการโดยการเห็นว่าความจริง เวลาที่เราไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผดสะเราก็อยู่ได้เช่นในช่วงที่เราไม่มีความอยากนี่เราก็ไม่มีอะไรดูเราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่มีอะไรฟังเราก็ไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรให้เราเสพเราก็ไม่เดือดร้อนเราจะมาเดือดร้อนในช่วงที่เรามีความอยากเสพเท่านั้นเองงั้นเราสามารถอยู่อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพมาให้เสพ เราสามารถเลิกเสพยาเสพติดได้เหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดเมื่อก่อนนั้นก่อนที่เขาไม่เคยก่อนที่เขาจะมาติดยาเสพติดเขาเขาไม่ได้เสพยามาก่อนตอนที่เราเกิดมาเราก็ไม่ได้มาติดยาต่างๆแต่พอเราไปเริ่มเสพยาเข้ามาแล้วมันก็เริ่มทําให้เราติดพอเราติดแล้วทีนี้เราต้องอยู่เราต้องมีมันอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราไม่มีมันเมื่อไหร่เราจะรู้สึกเหงาเศร้าซ้อยหงอยเงา รู้สึกไม่มีความสุขใจอันนี้เพราะเราไปติดมันแล้วงั้นเมื่อเราติดมันได้เราก็เลิกมันได้แต่เราต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความพยายามสู้กับความอยากนี้ท่าั้เองอถ้าเรามีความอดทนมีความมีความสามารถมีมีอุบายวิธีมีเครื่องมื อ, อ อระพทุทธเจ้าส่งคนพบเครื่องมือในการที่จะทําให้เราละความอยากกะเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลทพัชชนิดต่างๆได้ด้วยการให้เรามาฝึกรักษาศีลกันรักษาศีลแปดเนีศีลแปดนี้คือเราจะไม่หาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นลดในรูปแบบต่างๆเช่นเราจะไม่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกัน พาคู่ของเราก็เป็นเหมือนยาเสพติดอย่างหนึ่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสชนิดหนึ่งที่เราต้องเสพอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราไม่ได้เสพเราจะรู้สึกหนุดหงิดรู้ึกรู้สึกเศร้าส้อยหงาเงาขึ้นมาแต่ถ้าเราอยากจะเลิกเราก็ต้องมาบังคับใจเรามาห้ามใจเราด้วยการรักษาศีลแปะศีลของนักบวชหรือไปเป็นนักบวชไปบวชแล้วก็ห้ามใจเราอย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสจากการ ร่วมหลับนอนกันสิ่งทีข้อหกก็ร่วมก็ห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขจากการการรับประทานอาหารหรือดื่ ม, ม, มเครื่องดื่มต่างๆมากเกินไปให้ให้ให้รับประทานอาหารให้ดื่มเพื่อเลี้ยงดูร่างกายได้ก็ให้มีเวลาจำกัดไว้คือไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วให้กินได้ดื่มได้ในช่วงเช้าถึงเที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว ถ้าไม่ได้กินรับประกันได้ว่าไม่ตายถ้าไม่ดื่มก็ดื่มได้แต่ให้ดื่มน้ําเปล่าแทนอย่าไปดื่มน้ําที่มีกลิ่นมีสีมีรสเพราะนั้นเป็นเป็นเป็นสารเสพติดถ้าดื่มน้ํำปเปล่าน้ําสะอาดนี้ไม่มีสารเสพติดดื่มได้ดื่มเท่าไหร่ก็ดื่มได้ดื่มเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายป้อนธาตุน้ําให้กับร่างกายร่างกายต้องมีธาตุสี่คอยมาป้อนอยู่เรื่อยๆ มีธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าออกธาตุน้ำก็คือน้ำที่เราดื่มเข้าไปธาตุดินก็คืออาหารที่เรากินเข้าไปวันละครั้งสองครั้งก็พอส่วนธาตุไฟเราก็ได้จากความร้อนจากจากแสงอาทิตินี้เข้ามามาผสมกันมาทำหน้าที่คอยเลี้ยงหล่อเลี้ยงร่างกายให้อยู่ไปได้เรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ขาดไม่ได้เราต้องมีเราต้องมีการกินอาหารเติมธาตุดิน เติมท่าน้ำเติมท่าบลมเติมท่าไฟอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ควรที่จะต้องเติมมากเกินไปอาหารไม่ควรจะกินมากเกินไปเพราะนอกจากไม่จำเป็นแล้วยังเป็นททดกับร่างกายได้ด้วยกินอาหารมากเกินไปก็จะเกิดเกิดอาการอ้วนอ้ว น, นทนขึ้นมามีน้ำหนักเกินแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายตามมา มีโครคภัยไข้เจ็บตามมาต่างๆเราต้องต้องมีความรู้สึกรู้จักหักห้ามจิตใจหักห้ามความอยากด้วยการรักษาศีลแปดนี้กินพอประมาณพอให้อยู่ได้ก็พอถ้าหลังจากเชียงวันไปแล้วถ้าอยากจะดื่มอะไรก็ดื่มน้าเปล่าไปแทนเพราะเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการเท่านั้นเองร่างกายไม่ต้องการสีหรือกลิ่นของเครื่องดื่มที่ดื่ม ผู้ที่ต้องการก็คือใจผู้ยังติดรูปเสียงกดลิ่นรสอยู่ก็จะหาเครื่องดื่มชนิดต่างๆมาดื่มถ้าต้องการที่จะระงับเลิกการเสพรูปเสียงกดลดิ่นรสเราก็ต้องดื่มแต่น้ำเปล่าไปแล้วก็ให้เราละเว้นการหาความสุขจากการดูมอหอลสบบันเทิงต่างๆดูหนังฟังเพลงดูละครหรือไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เรากล่าเว้นการเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้ า, าก็อภรรท์ที่วิจิตรคิสดารด้วยการเสริมด้วยการใช้เครื่องสำอางต่างๆเป็นต้นอย่าเสอย่าหาความสุขจากการจากสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นยาเสพติดเราต้องเลิกเราเป็นคนติดยาเสพติดเราอยากจะเลิกเราก็ต้องอย่าไปเสพสิ่งเหล่านี้ด้วยการมาถือศีลแปกันแล้วก็ไม่ให้ติดกับการนอนมากเกินไป นอนเพื่อพักผ่อนร่างกาย4ี่ห้าชั่วโมงต่อวันก็พอต่อคืนนึงก็พอถ้านอนมากกว่านั้นก็แสดงว่าติดความสุขจากการหลับนอนถ้านอนบนเตียงที่สุขที่สบายที่มีฟูกหนาๆ น, นอนแล้วสบายเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาสี่ห้าชั่วโมงก็ย่าตื่นขึ้นมาแต่พอนอนบนฟูกหนาๆที่สบายใจที่ติดกับความสุขจากการหลับนอนจากการนอนบนที่นิ่มที่นอนที่นุ่ม ก็จะนอนต่ อ, อกสองสามชั่วโมงหรือมากกว่า น, นั้นไปก็จะทำให้เสียเวลาอันมีค่าที่เราจะมาใช้ในการสร้างเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งเพื่อที่จะมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการที่เราจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผภาะพานี้ยังมีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถมีได้และเป็นความสุขที่ไม่ใช่เป็นยาเสพติดเป็นความสุขที่ไม่มีพิษมีภยัยไม่มีโทษ เวลาที่เราไม่ได้ไม่ได้มีความสุขจากความสุขแบบนี้ใจเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ทรมานใจนั่นก็คือความสุขจากการมาทำใจให้สงบนั่นเองก็คือการนั่งสมาธิทำจิตใจให้นิ่งให้สงบการที่เราจะมานั่งสมาธิทำจิตใจให้นิ่งให้สงบเพื่อเราจะได้เลิกเสบรูปเสียงกิรลดโพธภพได้เราจำเป็นจะต้องมีเวลามาเจริญสติมาสร้างสติขึ้นมาก่อน เพราะว่าการที่จะทำให้ใจนิ่งสงบเป็นสมาธิได้นี้เราต้องมีสติเป็นผู้มาคอยหยุดความคิดต่างๆเพราะความคิดต่างๆนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้ใจเราไม่นิ่งไม่สงบใจเรานี่เป็นเหมือนลิงคิดได้ทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงบัดนี้เราได้หยุดคิดกันหรือยังเราคิดกันเลื่อนยลื่ตลอดเวลาอาจจะพักคิดบ้างแค่สองสามวินาที เอาเดี๋ยวก็คิดแล้วเห็นรูปก็คิดถึงรูปแล้วเห็นเสียงก็คิดถึงเรื่องเสียงนะเห็นคนนั้นเห็นคนนี้ก็คิดถึงคนนั้นคนนี้วิภากษวิจารณ์เข้าไปว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คิดเรื่องนูน้นคิดเรื่องนี้มีอยู่ให้คิดทั้งวันทั้งคืนถ้าเราไม่มีสติที่จะมาคอยยับยั้งความคิดเหล่านี้ได้เวลานั่งสมาธิใจก็จะไม่นิ่งไม่สงบแล้วเมื่อใจไม่นิ่งไม่สงบใจก็จะไม่มีความสุข เมื่อไม่มีความสูขใจก็จะกลับไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกิ่นรถต่อแต่ถ้าเราสามารถควบคุมใจไม่ให้คิดได้ทั้งวันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาหมือนอนขึ้นมาแล้วก็คอยบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนี้เป็นเครื่องมือของสติถ้าเราอยากจะมีสติเราต้องมีพุทโธใช้พุทโธเป็นเครื่องมือถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปเราจะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ได้ เพราะว่าความคิดนี้มันต้องมาอยู่ที่พุทโธแทนใช้ความคิดให้คิดในคิดแต่พุทโธพุทโธเราก็จะไม่สามารถไปคิดหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพได้<ต><ว>พอเราไม่คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสใจที่ดิ้นรนรู้สึกเศร้าส้อยว้าเวกับการที่ไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสก็จะก็จะเป็นใจที่ว่างเย็นสบายจะไม่รู้สึกเศร้าส้าาอยหง่อยเหงาเรื่องหมุดหย็ดเวลาที่ไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรส เพราะว่าไม่ได้มีความอยากเพราะว่าความอยากถูกถูกกั้นไว้โดยด้วยคาบริกรรมพุโทโธพุทโธถ้าเราพุโทโธพุโทโธอยู่นี้เราจะไม่สามารถคิดอยากอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นลดได้นั่นเองเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิให้จิตนิ่งสงบให้เกิดความสุขขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดโธพะชนิดต่างๆให้เรามา หาความสุขจากการทาใจให้สงบนิ่งสงบด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิเบื้องต้นต้องเจริญสติก่อนเพราะว่าสตินี่เป็นสิ่งที่สำคัญและเราสามารถที่จะคอยเจริญได้ทั้งวันเพราะว่าใจเราถ้าไม่มีสติมันก็จะคิดไปทั้งวันเมื่อมันมคิดไปทั้งวันเวลาจะมานั่งสมาธิมันก็จะคิดต่อ ถึงแม้ว่าเราจะให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธมันก็จะอยู่ได้แป๊บเดียวเดี๋ยวเดียวแล้วเดียวมันก็แวบไปคิดต่อนั่งสมาธิไปได้ไม่นานก็จะเกิดอาการงุดยิดอึดอัดขึ้นมาเพราะเริ่มเกิดความอยากเริ่มเริ่มเกิดความอยากจะลุกอยากจะไปทํานู่นทนํานี่อยากจะไปดูนั่นดูนี่ขึ้นมามันก็เลยทําให้นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้แต่ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดได้นี่มันก็จะความอยากที่อยากจะลุกขึ้นมามันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเรา เราเราเราสกัดกั้นมันด้วยการใช้คำบาลีรมพุทธโธพุทธโธนั้นสิ่งแรกที่เราควรที่จะฝึกก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิคือคอยควบคุมความคิดเบื้องต้นคงยังไม่ได้หยุดความคิดได้แบบทันทีทันใดอาจจะค่อยๆลดความคิดลงให้มันน้อยลงให้แรงของความคิดมันเบาลงแต่เราต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปทั้งวันทั้งคืนเบื้องตน้นถ้าเรายังไม่เคยฝึกมาก่อน เราก็ต้องลองมาหาวันเวลาว่างทักวันหนึ่งเช่นวันพระนี่พระเจ้าเป็นวันที่ทรงกําหนดไว้ให้กับผู้ที่อยากจะมาฝึกจิตมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขมาเลิกเสพยาเสพติดของลูกเสียงกจรจดลดผลถ พ, ธพะ่ะให้มาลองฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อให้มีความสุขที่เกิดจากความสงบขึ้นมาเบื้องต้นเราก็ต้องอย่างน้อยที่สุดต้องหาเวลาอย่างน้อยก็หนึ่งวัน ว่าการจะเจริญสตินั่งสมาธิให้ได้ผลดีนี้ต้องทำอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนหนึ่งวันกับหนึ่งคืนถึงจะมีโอกาสที่จะทำให้มันเกิดผลขึ้นมาได้ถ้าเราหวังว่าจะเราจะฝึกสตินั่งสมาธิวันละสามสิบนาทีนี้อย่าไปหวังเลยว่าจิตจะสงบได้มีคนฝึกสตินั่งสมาธิวันละสาสิบนาทีมาเป็นสิบสิบปีก็ไม่ได้ความสงบสักที ก็จะได้ความเบาว่างความเบาของความคิดน้อยลงไปแต่ชื่วว่ามันน้อยมากเพราะเวลาที่เราให้กับการควบคุมความคิดเราให้มันน้อยเราให้เพียงแค่สาสิบนาทีต่อนหนึ่งวันแต่ถ้าเรามาให้มันทักยี่สิบชั่วโมงต่อนหนึ่งวันเรานอนสี่ชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงแล้วพอเราตื่นขึ้นมาเราก็มาควบคุมความคิดเลยว่าควบคุมความคิดไปทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าเราจะทําอะไรเราสามารถควบคุมความคิดได้ไปกับการที่เราทํา ถ้าเรามาปฏิบัติในวันหยุดทำงานไม่มีงานต้องทำนีแเราก็ไม่มีอะไรต้องคิดมากคิดอยู่กับเรื่องที่เลี้ยงดูร่างกายเราท่ า, านบอว่าถึงเวลากินอาหารหรือยังจะกินอะไรจะทำอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันหรือยังทำหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายความคิดเหล่านี้มันก็แทบจะไม่ต้องคิดเพราะเราเคยทำมาเป็นประจำ เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องทำอะไรเวล า, าอาบน้ำเวลาเราแปรงฟั น, วนเวลาแต่งเนื้อแต่งตัวเวลารับประทานอาหารแทบจะไม่ต้องใช้ความคิดเลยเราต้องมีเวลาว่างหนึ่งวันถึงจะได้ฝึกสตินั่งสมาธิให้เกิดผลขึ้นมานถ้ามานั่งแค่วันละสามสิบนาทีหรือสองครั้งครั้งละสาสิบวันละชั่วโมงนี้มันแทบจะไม่ค่อยได้อะไรเลยได้บ้างแต่น้อยมาก จะไม่ได้ผลที่ประทับใจเหมือนกับการที่ถ้าเรามาฝึกทาทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นถ้าเราฝึกสติตได้ทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับสลับกับการนั่งสมาธิมไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งเราก็อาจจะเจอความนิ่งสงบจิตรวมเป็นสมาธิขึ้นมาได้พอจิตรวมแล้วเราถึงจะได้พบกับความสุขที่มหัศจรรย์ใจ ความสุขควสุขที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงในความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิ่โลสผดทพัชชนิดต่างๆเอห่างกันเหมือนกับฟ้ากับดินความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เปนเหมือนฟ้าส่วนความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นเหมือนดินแล้วก็มีคุณค่าต่างกัน ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่มีพิษไม่มีภยัยไม่มีโทษตามมาเวลาที่ไม่สงบใจก็ไม่ทุกข์ไม่เครียดเหมือนกับเวลาที่ไม่มีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่แหละคือเครื่องมือที่พระเจ้าได้ท่งคนพบได้ทรงปฏิบัติตในสมัยเริ่มแรกพระองค์ก็ยังอยู่อยู่ในวงังอยู่ยังเสพความสุขจากลาบยศสรรเสริญ จ, จากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ แต่พระองค์ก็ทรงเห็นว่ามันไม่สามารถที่จะมาทำใจให้หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้พระองค์ก็เห็นนักบวชก็ศึกษาดูวิธีชีวิตของนักบวชก็ทราบว่านักบวชเ้าบวชเพื่อละความอยากเหล่านี้ละความอยากเสพรูปเสียงกลิธธ่นรสผลทพะเปลี่ยนวิธีเสพหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิธธ่นรสมาเสกมาเสพความสงบที่เกิดจากการรักษาศิล และเจริญสตินั่งสมาธิพระองค์ก็เลยส่งตัดสินใจออกบวชเพราะรู้ว่าถ้าอยู่อยู่ในวังเป็นพระราชามหากร์ก็มีภารกิจที่ต้องใช้ความคิดและต้องต้องมีความยึดมีความยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆยึดติดกับความสุขจากรูปเสียงกิล่ลรก็จะทาให ไม่สามารถดับความทุกข์ใจเวลาที่จะต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้าอยากที่จะไม่มีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องไม่พึ่งร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะเมื่อเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วร่างกายจะเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรายังต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออยู่เราก็ไม่อยากจะให้ร่างกายเป็นอะไรไป ไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตายเราก็เลยต้องทุกเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บและร่างกายตายไปแต่ถ้าไปบวชได้ก็จะมีเวลาที่จะมาเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบให้ใจมีความสุขจากการทำสมาธิเมื่อมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องพึ่งความสุขจากรูปเสียงกิ่ลดต่างๆเมื่อไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกินร ต่างๆก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายเพราะว่าความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบนี้มันดีกว่าความสุขที่ได้จากการใช้ร่างกายไปหาลูกเสียงกลิ่นรสมาเสกนั่นเองถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับคนที่ได้รถคันใหม่พอเราได้รถคันใหม่มาเราก็เท่งรถคันเก่าได้เพราะรถคันเก่านี้มันมันเก่ามันก็มีมปัญหา วิ่งแล้วเดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็ยางแตกเดี๋ยวก็เครื่องเสียแต่พอเราได้เครื่องใหม่มาที่ดีกว่ารถเก่านี้รถใหม่ที่ดีกว่ารถเก่าเราก็ทิ้งรถเก่าได้แต่ถ้าเรายังไม่มีรถใหม่นี้แล้วก็ทิ้งไม่ได้เราก็ย e ังต้องอาศัยมันอยู่มันจะเสียบ้างมันจะมีปัญหาบ้างเราก็ต้องทนไปซ่อมมันไปรักษามันไปแต่พอเราได้รถคันใหม่มานี่เราก็ทิ้งรถคันเก่าได้ทันใดถ้าเราได้สมาธิมาก็เหมือนกับได้รถคันใหม่ เมื่อก่อนเราใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส <ป aware S 2> <board S 1> ต่างๆแต่พอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาเราก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้แต่พอเรามาฝึกสตินั่งสมาธิสามารถทําใจให้สงบ ส, ส, สามารถมีความสุขจากการทําสมาธิได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายก็ได้เลิกใช้ร่างกายเลิกเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ ดูนักบวชทั้งหลายเขาไม่เสพโน้เสียงกลิ่นรสกันโดยเฉพาะผ้าที่เป็นพระสุปฏิปันโนปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบท่านไม่ไปเที่ยวที่นูน่นที่นี่ท่านไม่ไปกินไปดื่มอะไรเหมือนกับศรัทธาญาโยมทํากันท่านอยู่อย่างมีความสุขจากการทําใจให้สงบเมื่อท่านไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเพราะท่านมีเครื่องมือใหม่ก็คือมีสติมีสมาธิเนี่เป็นเครื่องมือในการหาความความสุข ท่านก็เลยไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องพึ่งร่างกายพ อ, อไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บท่านก็ยังมีความสุขได้ยังสามารถเข้าสมาธิได้ร่างกายจะแก่ก็ยังเข้าสมาธิได้ร่างกายจะตายก็ยังเข้าสมาธิได้เพราะว่าการเข้าสมาธินี้ของใจนี้ไม่ต้องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องขอ ง, ของร่างกายแต่อย่างใดมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ของธรรมที่มีอยู่ในใจว่าสามารถสร้างธรรมขึ้นมาได้หรือเปล่าก็คือมีสติหรือเปล่ามีสติที่จะมาคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดต่างๆได้หรือเปล่ามีปัญญาที่จะมาสอนใจให้เห็นโทษของการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้หรือเปล่าว่ามันเป็นเหมือนยาเสพติดถ้ามีทั้งปัญญามีทั้งสติก็จะสามารถเลิกเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ชนิดต่างๆได้แล้วก็ สามารถที่จะมีความสุขได้ทุกเวลาเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขผ่านทางร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรใจก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจยังสามารถมีความสุขได้ถึงแม้เวลาร่างกายตายไปใจก็ยังมีความสุขอยู่แล้วใจนี้แหละที่จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปแล้วเพราะเลิก มีความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะได้พอเห็นว่าการมีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้จะต้องพาให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆนั่นเองเมื่อเราไม่ต้องเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเราก็ไม่ต้องมีร่างกายเมื่อเราไม่ต้องมีร่างกายเราก็ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาพัดพากจากกันไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ใจเราก็จะได uh ้อยู่ในนิพพาน สิขขส้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราสามารถตัดความอยากต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้เบื้องต้นเราก็ตัดความอยากในการเสบรูปเสียงกลิ่นลดก่อนแต่มันก็ยังมีความอยากอีกสองชนิดที่ยังมีค้างค้างอยู่ในใจที่เราต้องตัดด้วยก็คือความอยากให้ใจเข้าสมาธิเข้าฌานเข้ารูปฌปานเข้ารูปฌาน ตอนต้นเราต้องอาศัยสมาธิรูปประชานะรูปประชานเป็นเครื่องมือในการให้เรามละกามกามัฏฐานหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดพอละได้แล้วเรามาติดกับรูปประชานกับเรูปประชานติดสมาธิเราก็ต้องเลิกสมาธิเลิกติดสมาธิเลิกเสพสมาธิเหมือนกับเลิกเสพรูปเสียงกลิ่นลดด้วยการตัดความอยากอยู่แบบไม่ต้องมีสมาธิก็มีความสุขมีความสงบได้พอเราตัดความอยากจะเสพ รูปเสียงจัดตัดความอยากจะเสพสมาธิได้รูปประชานก็ดีรูปประชานก็ดีเราก็จะตัดความอยากทั้งหมดที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปความอยากทั้งสามนี้ก็จะไม่พาให้เรามาเกิดในภพทั้งสามอีกต่อไปความอยากในกามคือรูปเสียงกลิ่นโลนี้จะดึงให้เรากลับมาเกิดในกามมาพบพบของมนุษย์พบของเทวดาของสัตว์ในกระชัง แล้ถ้าเราตัดความอยากจะเสบรูกประชานได้เราก็จะไม่กลับมาเกิดในรูปพบพบของรูปประพรมแล้วถ้าเราตัดความอยากที่จะไม่เสบอารูปประชานได้เราก็จะไม่กลับมาเกิดในอรูปประพอารูปประพบคือพบของรูปอรูปประพรมนี่คือพบทั้งสามที่เป็นที่อยู่ของสารโลกที่ยังมีความอยากอยู่มีความอยากเสบการมก็มาเกิดในการมาพบมีความอยากเสบรูปประชาน ก็จะมาเกิดในรูปภพมีความอยากจะเสพอรูปประชานก็จะมาเกิดในอรูปภพพอละความอยากทั้งสามนี้ได้หมดสิ้นไปยากใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในตายภพอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดในตายภพใจก็อยู่ที่นิพพานนี่คาว่านิพพานก็คือที่สงบที่ไม่มีความอยากต่างๆหลงเหลืออยู่ในใจที่จะดึงใจให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายภพอีกต่อไป นี่แหละคือสถานภาพของพวกเราที่แท้จริงตอนตอนนี้พวกเราเป็นเป็นเป็นธาตุรู้ที่ยังถูกความโลภโกรธหลงมีความอยากต่างๆคอยหลอกให้เรากลับมาติดคุกติดตารางในตายพบอยู่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากจะออกจากคุกตารางอันนี้เราก็ต้องปฏิบัติตามที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติและทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกัน ก็คือให้พวกเรามาหัดเริ่มถือศีลแปดกันเริ่มต้นในวันพระก่อนหาเวลาอาทิตย์หนึ่งหนึ่งวันหาวันวันที่เราหยุดทำงานมีเวลาว่างเอาเวลาว่างนี้ไปฝึกหัด ร, รักษาศีลแปดฝึกหัดนั่งสมาธิฝึกหัดเจริญปัญญาสอนใจให้เห็นโทษของความอยากทั้งสามนี้ความอยากเสพการความอยากจะเสพรู ป, ประชานความอยากจะเสพว่าูปประชานให้เราละมันด้วยการ ฝึกฝนเจริญสตินั่งสมาธิก่อนเบื้องต้นเราต้องอาศัยรูปประจานหรือรูปประจานเป็นเครื่องมือในละกามาตัญหาก่อนความอยากเสพกามก่อนละความอยากได้แล้วเราก็าละสมาธิที่เราใช้เป็นเครื่องมืออีกทีเพราะไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้สมาธิเป็นเป็นเครื่องมือแล้วเราสามารถทําใจให้สงบนิ่งได้โดยที่ไม่ต้องอไม่ต้องใช้สมาธิคือใช้ปัญญาแทนปัญญาก็จะสามารถใจจะสงบ ก็ต่อเมื่อไม่มีความอยากถ้าเกิดความอยากขึ้นมาใจก็จะหายสงบอย่างนั้นก็คอยกำจัดความอยากไม่ว่าจะเป็นความอยากชนิดใดก็ต้องกำจัดมันให้หมดไปพอมีปัญญาแล้วก็สามารถกำจัดความอยากให้หมดไปโดยที่ไม่ต้องอาศัยสมาธิเป็นเครื่องมือมก็จะไม่มีความอยากหลงเหรืออยู่ก็ไม่มีการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนี่แหละคือเรื่องของตัวเราพวกเราที่เป็นเหมือนนักโทษ เป็นเหมือนคนติดยาเสพติดที่เราจะต้องอาศัยยาของพระพุทธเจ้าวิธีการของพระพุทธเจ้ามาแก้ก็คือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่ถ้าเราสามารถปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เราก็จะสามารถแก้ปัญหาที่เรามีอยู่ในขณะนี้ได้คือความทุกข์ต่างๆที่เรามีอยู่ก็จะหมดไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่ก็คือเรื่องของ ธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรอยาทาวาริวาหาปูราปารลิกปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตโตจินังเปตานาังอุปปกักปติยิจิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุ สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธ า, ามณิโชติระโสยธาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพโควินาสตุมาเตภวตวันตารายุสุขิติคายุโกภวะ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 ถ้าไม่อยากจะถามเองก็ขเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาแทนก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ผู้ติดตามจากทาง Facebook 323อยสิบสาจากทาง YouTube 330อ o สา u สิบ r v 47วสี่ิเจวิทยุออนไลน์สิบสองคลับเฮ์ผู้รับฟังนาุติหนึ่ง้อยห้าสิบสามรวมทั้งหมดแ6ด้อยหสิเกค่ะ คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะจากคุณวุฒิโชคถ้าเป็นโรคหัวใจจะนอนมากกว่า 4-5 ห้าชั่วโมงได้ไหมครับก็ต้องเป็นไปตามร่างกายฝืนไม่ได้ร่างกายทำเท่าที่จำเป็นต่อการดูแล ร, ร่างกายแต่อย่ามากกว่านั้นข้อสองค่ะความสุขเกิดจากการทำสมาธิใช่ไหมครับ ให้เวลาจิตสงบแล้วก็จะเกิดความสุขที่มหาจัจจันใจที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คำถามจากคุณนาวินค่ะพอฝึกสมาธิจนสามารถเข้าออกได้รวดเร็วแล้วให้ปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับให้ไปใช้ปัญญาสู้กับกิเลสให้ไปตัดกิเลสตัดความอยากต่างๆเช่นไปเผชิญกับ ความทุกข์ยากลำบากแล้วดูสิว่าจะสามารถสู้กับกิเลสตัณหาที่ชอบความสุขความสบายได้หรือไม่คำถามจากทางด็กตรวีค่ะจากคุณสาธิตตอนที่พระอาจารย์ตัดสินใจออกบวชมียังมีภาระหรือมีห่วงอะไรบ้างไหมครับไม่มีเลยมีงานทำก็ลาออกจอาก ง, งาน ก็มีแต่ใจนั่นที่เป็นภาระที่จะต้องมาดูแลต่อแก้ปัญหาทางใจใจยังทุกข์ใจยังไม่สบายอยู่ก็เห็นว่าการบวชในเป็นวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาทางใจได้ก็เลยออกบวชคำถามจากทางยูทู e ค่ะจากคุณท็อปกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ครับ กระผมขอแชร์ธรรมะนาคุติวิสัชนาธรรมสนธนาธรรมไปยังโซเชียลมีเดียของกระผมเพื่อเป็นธรรมทานได้ไหมครับได้เชิญตามสบายเลยคำถามจากทางเฟ e บุ o k ค่ะจากคุณพัสสินในขณะเราภาวนาดูลมแล้วลมค่อยๆละเอียดแล้วหายไปเราควรทำอย่างไรต่อครับ บางทีเกิดความรู้สึกกังวลว่าเหมือนไม่มีลมหายใจไม่ต้องกังวลเพราะว่าลมมันละเอียดลมยังมีอยู่แตเบามากที่เราไม่อาจจะสามารถรับรู้ได้แต่ก็ให้อยู่ที่จุดเดิมเราดูที่จุดเดิมไปเรื่อยๆถึงแม้ลมจะรู้สึกว่าหายไปก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปย้ายที่ดูไปเรื่อยๆเพราะตอนนั้นจิตใกล้จะรวมนะจิตใกล้จะสงบแล้ว ถ้าเราดูเฉยๆต่อไปโดยที่ไม่ไปคิดวิตกกังวลหรือเปลี่ยนที่หรือวิ่งคว้านหาลมเดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้คำถามจากคุณนันทพรค่ะพระพุทธเจ้าห้ามพระสงฆ์อาบน้ำจริงหรือเปล่าคะคือช่วงที่น้ำมันไม่มีมีน้อยก็ต้องต้องรู้จักประหยัดน้ำอช่วงนั้นเป็นหน้าแรงมากฝนฟ้าไม่ตก น้ำก็มีเหลือน้อยจำเป็นอาจจะต้องเอาไว้ใช้สำหรับสิ่งที่จำเป็นกว่าเช่นเสื้อผ้าเออเช่นทำความสะอาดอะไรต่างๆก็เลยต้องมีมาตรการประหยัดน้ำก็ให้อาบน้ำอาทิตย์หรือสองอาทิตย์หนึ่งครั้งมังคำถามจากคาถามจากคุณชานยุทธ์ค่ะธรรมชาติของจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลา ถ้าเข้าสู่นิพพานแล้วจิตยังเกิดดับอยู่ไหมครับคือตัวจิตเองไม่เกิดดับตัวจิตรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ตัวที่อารมณ์ที่อยู่ในจิตนี่มันเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอารมณ์ดีบ้างอารมณ์เสียบ้างอารมณ์สงบบ้างอารมณ์ฟุ้งซ่านบ้างอารมณ์ต่างๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในจิตแต่ตัวจิตเองไม่เปลี่ยนเหมือนกับเหมือนกับตัวหิ่งห้อยแสงตัวหิ่งห้อยนี้ไม่ไม่ไม่หายไปเวลาแสงดับไป แสงมันก็เกิดดับเกิดดับไปแต่ตัวหิ่งห้อยก็ยังอยู่ฉันใดจิตก็เหมือนตัวหิ่งห้อยตัวอารมณ์ก็คือตัวแสงที่มันเกิดดับเกิดดับดังนั้นเวลาที่จิตสงบแล้วจิตถ้าจิตไม่มีเกี่ยวข้องกับใครอารมณ์ต่างๆก็จะไม่เกิดดับแต่ถ้ายังเกี่ยวข้องกับขันอยู่ยังเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสเกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆ บคคลต่างๆอยู่เหตุการณ์ต่างๆอยู่มันก็ยังมีมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่พอไม่มีร่างกายแลไม่มีขันแล้ไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นแล้วไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาทําให้มันเกิดดับเกิดดับอารมณ์ต่างๆก็จะหายไปคําถามจากคุณป๊อกกี้ค่ะเวลาใส่บาตรพระสงฆ์ถ้าไม่ถอดรองเท้าเพราะพื้นตลาสดโสกสกปรปกมากจะผิดหรือบาปอย่างไรไหมคะ หลวงตาท่านเคยพูดเหมือนกันเวลาคนใส่รองเท้าแล้วใส่บาตรท่านบอกว่าเาท้ามันล้างง่ายแต่ใจมันล้างยากกิเลสมันล้างยากคือการใส่รองเท้าการถอดรองเท้านี่เป็นการแสดงความเคารพผู้ที่เราใส่บาตรเพราะพระเขาถือว่าทานี่สูงกว่าคารวะผู้ใส่บาตรควรจะให้มีความเคารพ ไม่ต้องมากังวลกับความโสโปรกของเท้าเพราะว่ามันล้างง่ายเท้าเท้าโสโปรกมันล้างง่ายกว่าใจที่โสโครกใจที่สโปรกก็คือใจที่ไม่มีความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่บุคคลที่สมควรแก่การเคารพดังนั้นก็มันก็จะไม่ได้ความเคารพเวลาที่เราใส่บาตรจนขณะที่เราใส่รองเท้าแตถ้าเราอยากจะได้บุญที่เกิดจากการมีความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่มีสัมมาคารวะ เราก็ควรจะถอดรองเท้าเดี๋ยวก็เสร็จแล้วก็ไปล้างเดี๋ยวเดียวหรือเช็ดเอาอะไรมาเช็ดหน่อยก็ได้คําถามจากคุณชาญสรรค์ค่ะการเจริญปัญญาที่มีจิตมีพลังมากที่สุดต้องทําสมาธิให้จิตรวมลงจนเกิดความสว่างใช่ไหมครับต้องเกิดอัปปนาสมาธิเกิดอุเบกขาขึ้นมาก่อนจิตจริงๆมันจะมีพลังที่จะใช้ปัญญามาดับกิเลสได้ ถ้าไม่มีสมาธิระดับอัปปนาไม่มีอุเบขามีปัญญาก็ไม่สามารถใช้มาดับกิเลสได้เหตนต้องมีต้องฝึกสติฝึกสมาธิก่อนเปลี่ยนปัญญาจากสุตตะจากจินตามายาปัญญามาเป็นภาวนาไมยาปัญญาด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิทำจิตให้รวมก่อนคำถามจากคุณสิริยากรค่ะตอนนี้รู้สึกเศร้าภาวนาไม่ได้เลยค่ะ ต้องทำอย่างไรคะก็เจริญสติไปพังๆก่อนพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปคำถามจากคุณต้นคูนชาวภาคเหนือภาคอีสานพระโสดาบันเอกซีพีเป็นพระโสดาบันแบบพิเศษอย่างไรครับอรเอกซีพีเป็นไงไม่รู้เหมือนกันนะโสดาบันก็ก็เป็นผู้ที่ปล่อยวางร่างกายได้ก็แล้วกัน ไวาวางไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายไม่กลัวความเจ็บความตายของร่างกายหมดแล้วค่ะหมดแล้วเหยอถามเองก็ได้นะจะให้เขาอ่านก็ได้อยัง <c oughs> จะถามเองไหมถามเองเอาไม้ยังไงจะพูดเองก็จะให้เขาอ่านใช <c oughs> ่ถือไม้ใกล้ปากหน่อย <c oughs> <c oughs> เราจะทําบุญแบบไหนคะที่จะให้ถึงญาติที่ตายไปจากการฆ่าตัวตายนะคะคงจะยากเพราะว่าเขาไปตกนรกก่อนตอนนั้นเขารับบุญไม่ได้<อ>ต้องรอให้เขาออกจากนรกมาก่อนมาเป็นเปรตก่อนทำไมสิ่งมีชีวิตในโลกจึงต้องมีความรักแล้วถ้าไม่มีรักเราจะเป็นคนแบบไหนเพราะความหลงไง ใจนี้ถูกความหลงหลอกว่าจะมีความสุขต้องรักสิ่งนั้นรักสิ่งนี้ต้องชอบสิ่งนั้นชอบสิ่งนี้แต่ความจริงความรักความชอบนี้ถึงแม้ว่าจะให้ความสุขมันก็ให้ความทุกข์ด้วยเวลาสูญเสียสิ่งที่เรารักไปเพราะสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบนี้มันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่เป็นของถาวรวันหนึ่งเราก็ต้องเสียสิ่งที่เรารักไปเมื่อเราเสียสิ่งที่เรารักไปเราก็จะเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราไม่รักอะไรเราก็จะไม่มีความเสียอกเสียใจ เข้าใจยังโอเคอ่าไม่เวลาเดี๋ยวรอเดียวแต่อย่าฆ่าตัวตายนะฆ่าตัวตายมันต้องไปติดคุกก่อนถ้าถ้าเป็นเปรตก็เป็นขอทานขอทานก็มารับส่วนบุญได้แต่ถ้าไปฆ่าตัวตายนี่จะไปตกนรกตอนนั้นนี่ไม่สามารถที่จะออกมารับบุญได้ก็จนกว่าจะพ้นโทษแล้วก็กลับมาเกิดมาเป็นเปรตต่อ แล้วก็มารั บ, บุญแล้วก็ค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปนร่ออาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนก็ได้ขึ้นอยู่ก็ทำบาปมากน้อยเท่าไหร่บาปมันมีหลายชนิดด้วยกันบาปที่ส่งให้ไปเป็นเปรตก็มีบาปที่ส่งให้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉา น, นก็มีบาปที่ส่งให้ไปเป็นไปนรกก็มีฆ่าตัวตายนี่ถือว่าเป็นบาปหนักพอๆเกือจะพอๆกับฆ่าพอ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหรันต์ งันอย่าฆ่าตัวตายถ้าจะฆ่าฆ่าก Kang, ิเลสตัวที่ทำให้เราอยากจะฆ่าตัวตายตัวนี้ต้องฆ่ามันถ้าฆ่ากิเลสแล้วไปนิพพานได้ไปสวรรค์ได้เข้าใจไหมเวลาร่างกายไม่สบายไม่สามารถหาความสุขผ pues, ่านทางร่างกายได้ก็เลยอยากจะฆ่าตัวตายฆ่าร่างกายให้มันตายไปแต่ฆ่าร่างกายไปตัวทุกข์ที่อยู่ในใจมันก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวทุกข์คือความอยากจะมีความสุขจากร่างกายมันก็ยังมีอยู่ มันก็จะต้องพากลับ ม, มาเกิดใหม่แต่ก่อนจะกลับ ม, มาเกิดใหม่ก็ต้องไปตกนรกก่อนนะคำถามจากคุณจิรารัตน์ค่ะโยมถอดรองเท้าขณะใส่บาตรทุกครั้งแต่มีครั้งหนึ่งใส่บาตรไม่ถอดรองเท้าเนื่องจากใส่รองเท้าพ้าใบได้กล่าวขอขมาต่อพระสงฆ์ท่านแล้วพอจากกระทำได้ไหมเจ้าคะ คือไม่ต้องของข้ามาหรอกมันเพียงแต่ไม่ได้บุญนะมันไม่บาปไม่ได้บุญถ้าถอดรองเท้าเราก็ได้บุญอีกชั้นหนึ่งได้บุญจากการใส่บาตรแล้วเราก็ได้บุญจากการมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือเนื้อถือตัวไม่ถือว่าตนเองสูงกว่าคนอื่นคำถามจากคุณท้องฟ้าค่ะเวลาใส่บาตรยืนรับพรหรือนั่งรับพรคะ ควาจริงทําทำเนียมจริงๆเขาไม่เขาให้ไม่ให้พรไม่ให้รับพรกันหรอกเวลาบินธบาตเพราะว่าตามหลักเวลาพระป่าบินธบาตินี้คนใส่เยอะถ้าจะมาให้พรทุกคนเนี่ยเที่ยงถึงเพลยก็ไ ม, ไม่ไม่เสร็จนะนเขาไม่<อ>เขาไม่นิยมที่จะให้พรกันเพราะพรมันเกิดจากการกระทําอยู่แล้วการใส่บาตรนี้มีพรในตัวของมันแล้วไม่ต้องมาให้พรให้เสียเวลาการให้พรก็ไม่ได้ให้พรหรอกเพราะว่า พรไม่ได้เกิดจากการให้ของคนอื่นพรเกิดจากการกระทําดีของเราพอเรากระทาดีใส่บาตรตอบนี้เราได้พรละได้อายุวณาสุขพลังะโดยที่ไม่ต้องให้พราะมาว่าอายุวรณะสุขพลังคําถามจากคุณอมารัตน์ค่ะการเริ่มต้นการถือศีลการภาวนาควรเริ่มต้นจากอะไรคะก็เริ่มต้นจากความตั้งใจเลยต้องตั้งตั้งเป้าก่อนวนะ่าวันนี้จะรักษาศีลห้านะ รักษาศีลแปดนะพอเราตั้งเป้าแล้วขั้นต่อไปก็ต้องทําตามที่เราตั้งเป้าไว้ช่นญาติโยมวันนี้ตั้งเป้าว่าจะมาที่นี่ก่อนจะมาที่นี่ก็ต้องตั้งเป้าไว้ก่อนว่าวันนี้จะมาที่นี่มาฟังเทศฟังธรรมพอตั้งเป้าแล้วก็พอถึงเวลาก็ออกเดินทางมาอย่าเปลี่ยนใจถ้าเปลี่ยนใจก็จะไม่ได้มาการเปลี่ยนใจก็แสดงว่าไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจต่อการตั้งเป้าของเรา งั Tuesday, ้นหลังจากตั้งเป้าแล้วเราก็ต้องมีสัจจะคือต้องมีความจริงใจต่อความตั้งใจของเราแล้วเมื่อตั้งเป้าแล้วมีสัจจะแล้วก็ยังต้องมีความเพียรอีกความขยันนี่ถ้าเกิดขี้เกียจขึ้นมาวันนี้เมื่อคืนนี้นอนดึกไปตื่นขึ้นมาเช้าไม่อยากจะตื่นเช้าขอนอนสายก็เลยไม่ได้ไม่ได้มาอย่างนี้ก็ก็ยังยังจะมาไม่ได้ดงนั้นต้องมีอธิษฐานคือตั้งเป้าสัจจะความจริงใจไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยน แล้วก็มีความเพียรความพยายามความขยายนั่นเพียรวิริยะแล้วก็ต้องมีขันติความอดทนถึงจะสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้สามารถรักษาศีลได้ฝึกสติได้นั่งสมาธิได้คำ ถ, ถามจากคุณสุกัญญาค่ะสมมุติกับวิมุตต์ต่างกันอย่างไรเจ้าคะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาพวกภาษาเหล่านี้โดยละเอียดตามความเข้าใจ วิมุตต์ก็คือการหลุดพ้นจากสมมุตินั่นเองสมมุติก็คือสิ่งที่เราสมมุติกันขึ้นมาเช่นตัวเรานี่เราสมมติเราไปสมมุติว่าเราเป็นร่างกายนี่ก็เป็นสมมุติแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมมีดวงตาเห็นธรรมเราก็จะมีวิมุตต์หลุดพ้นจากความหลงหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราทําความเข้าใจของเรานะแต่ตามหลักภาษานี่เราไม่ทราบความจรงิงต้องลองไปค้นคว้าดูใน ในพระไตรปดฎกดูหรือในกูเกิลก็ได้คงจะมีข้อมูลให้เราได้รู้ว่าเป็นอะไรระหว่างสมมุติกับวิมุตย์ยังไม่มีค่ะคำว่าวิมุตย์นี่มันคือความหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความหลงความหลงก็ทำให้ใจทุกข์ใจไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรานี่ก็เลยไปยึดติดกับร่างกาย ก็เลยทุกข์กับร่างกายทั้งทั้งทั้งทั้งี่เราไม่ต้องไม่ควรจะต้องมาทุกข์กับร่างกายเพราะร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นอย่างเนี้ร่างกายของคนอื่นเราไม่ทุกข์ก้ออะไรเพราะเรารู้ว่าไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ร่างกายของเราเราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราเราก็เลยไปทุกข์กับมันแต่ถ้าเรามาศึกษาธรรมะมนพิจารณาธรรมแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของดินน้ำลมไฟ ทำมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเดี๋ยวธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ก็มารับคืนไปเวลาร่างกายอยู่หายใจธาตุลมก็ไปธาตุไฟก็ออกจากร่างกายไปธาตุน้ําก็ออกไปเหลือแต่ธาตุดินธาตุดินก็กลับสู่ดินไปอันนี้คือวิมุติคือหลุดพ้นจากความหนงความไม่รู้จริงส่วนสมมุติก็คือสิ่งที่เราสมสมมุติกันขึ้นมาเช่นร่างกายเราก็สมมุติว่ามีชื่อนี้ชื่อนั้นเป็นลูกของคนนั้นลูกของคนนี้นะ เป็นความสมมุติชั่วขา่าวพอร่างกายตายไปความสมมุติเหล่านี้ก็หมดไปไม่มีถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิตรพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ